ที่ชื่อว่าการขับร้องได้แก่การขับร้องอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าการประโคมดนตรีได้แก่การประคมดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง